อ่านไปรุ่นได้นะอิชชาลาหนะครับอัลฮิมาซะก็เอาจากกระดาษได้กันดลยครับอตัวใหญ่ได้อ่านชัดเจนภาษาหรับไม่ได้ข้างหลังมีคําอ่านสําหรับคนที่ไม่ได้คําอ่านนะครับผมเรามีบริการให้เต็มที่อันนี้อาจารย์ซาร์เขาทําคําอ่านมาครบทั้งเล่มเลยก็มาชาลอร์รู้ทำได้ท่านนี้อาจารย์เอาสมัยเขา بسم الله الرحمن الرحيم و วลุ لكلهماذا تلماذا الذي جمع م ا ل م م ا وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ي ب ذ ن في الحطمة وما أدراك ملحطمة نار الله المقدة و เป็นเป็นดูอาที่ว่าส่วนใหญ่นะครับบรรดาคณาจารย์เขาจะขอให้กับบรรดานักศึกษาดูอาสั้นๆยังไงก็คือฟตฮัลลอัยกลุ่มก็คือขอละ เปิดทางให้กับคุณก็คืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ขอล้ะเปิดให้มันง่ายดายครับครับวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในคำพูดขอล้อในส ah ุระอัลฮุมาเซสุระฮุมาเซก็คือสุระที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกับการบอกว่าสุระวัยรุ่นวัยรุ่นฟังดูภาษาไทยเหมือนจะดูดีนะครับวัยรุ่นแต่พอเป็นภาษาอลับนี่ความหมายแบบคนละเรื่องเลย บางคนก็บอกว่าความหมายเดียวกันเพราะวัยรุ que, ่นเป็นวัยแห่งหายะบางคนก็บอกอย่างนั้นนั่นก็ความหมายเดียวกันภาษาเราภาษาอะไรเสื่มๆครับในส่วนนี้นะครับมีทั้งหมด9วอายะนะครับพวกลปผู้ทรงสูงงนะครับได้เริ่มด้วยกับคาว่าไวรุลีกุลีฮูมาซาติลมซอัลลจามะมาวัดซบอันมาหูอัคลดาลลาลายุบันฟิลฮุตมะ ว่ามาอัตราชมาพุทธมา الله الموحدة التي تطل على الأفئدة إنها عليهم صد في عمد ممددة องค์การนี้คร pues ับพุทธศาสนาได้เตือนบรรดาผศ้สนาธาก็คือเน้นเตือนพวกเราว่าในหมู่มนุษย์เนี่ยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ว่าเขาจะสักมืก่อนครับเจอบททดสอบของดุนยาแล้วเขาก็หลงไปกับมัน บทสอบของดุลยาแล้วก็หลงไปกับมันเหมือนกับที่พระอสงฆกล่าวในคมพีของพระองค์ัว่าซุยนารินนาเซฮบุชาฮาวาติมนิเัลนีนวลกตีลิมังตรติมบิวลฟิตติวลควาลมุสโอมตวลมอัลมัลฮดดลิกะมะตาอฮิตุนัลลอฮอินดะฮุสึมาอับพระรสงฆ์สูงส่งได้กล่าวในคำพีของพระองค์ว่ามนุษยชาติเนี่ยได้ถูกทำให้รู้สึกถึงความงดงาม ของความปรารถนาคืออารมณ์ปรารถนานะครับมันมีทั้งปรารถนาที่เรารู้สึกแย่กับมันกับรู้สึกดีกับมันแต่ตอนนี้พระอุรเล่าบอกว่ามนุษย์ทุกคนทั้งผมกับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เราถูกทําให้ประทับใจหรือว่าชอบความรู้สึกเชิงสนิหาที่เรามีต่อของต่างๆ ต, ต, ต่อไปนี้ที่อุรเลาส่งกล่าวไว้วันอิสรามตระการตุ้ครับอุเรเลาบอกประกาศแรกคือะไรครับผู้หญิงอานิเสะครับ เหมือนกับเทเบีบอกว่าสิ่งที่นุกงานที่สุดในดุนยาก็คือผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่ทําให้แบบว่าถ้าเกิดผู้ชายใช่ไหมครับไม่มีฟิตเนสไหนจะหนักไปกว่าผู้หญิงอีกแล้วยิ่งเจอผู้หญิงสวยๆผู้หญิงน่ารักผู้หญิงที่เราชอบรู้สึกชอบพอเนี่ยใจผู้ชายนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วโดวยเฉพาะหนุ่มๆ น, มมนอะอา้าวอเล็กครับผู้หญิงอันที่สองลูกหลาน ถ้าเกิดใครมีลูกหลงลูกจะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงของความรู้สึกว่าดุนยามันน่าอยู่มนุษย์งามยิ่งเวลาที่ว่าลูกเข้ามาหลานเข้ามาหามันยิ่งเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันภูมิใจครับมันภูมิใจมันใจพองมันอะไรก็ตามซึ่งพวกาบอกว่านี่แหละคือดุนยาต่อไปครับอันที่สามที่พวกเราสงเกวไว้ครับก็คือความผูกพันกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทั้งเงินทั้งทอง คือถ้าเกิดว่าการได้ครอบครองเงินการได้ครอบครองทรัพย์สินเนี่ยมันจะทําให้ใจมันพองโตเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเราลอสสร้างให้มนุษย์ทุกคนรู้สึกลหลงไหลได้ปื้มกับมันจะให้ผมแปลให้ครบหรือว่าเราเข้าไปเด็นกุฎานเลยครับอ่ะเข้ากุฎานก่อนนะครับผมหรือว่าจะเอาให้ครบก่อนครับแล้วแต่อาจารย์ครับโอเคครับงั้นประเด็นก็คือว่า พวกเราได้เตือนเราไว้ครับว่าหนึ่งในไฮดิสิกบทหนึ่งครับท่านรบียนวัสลอสลอยสมได้บอกว่าสำหรับประชาชาตินี้สิ่งที่จะสร้างความเสียหายทางด้านศาสนาความเสียหายทางด้านศาสนาภาษาอังใช้คําว่าฟิตรณะคือถ้าบางท่านอยากรู้ฟิตรณ ะ, ะแปลว่าอะไรฟิตรณ ะ, ะก็คืออะไรก็ตามที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ศาสนาของเราเนี่ยมีปัญหา สร้างความวุ่นวายกับศาสนามีศาสนาของเราทั้งหมดเรียกว่าฟิตนาหมดเลยซึ่งท่านเบียร์สเลอร์สลามบอกว่าในประชาชาตินี้สิ่งที่เป็นฟิตนาหรือว่าสิ่งที่มีผลต่อศาสนาของเรามากที่สุดมีสองอย่างคือผู้หญิงกับทรัพย์สินผู้หญิงกับทรัพย์สินเหมือนกับที่ว่าคนจะดีแค่ไหนก็ตามจะเก่งแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นผู้รู้ก็ตามถ้าจะตายก็ตายกับผู้หญิงถ้าเกิดว่าวางตัวไม่ดีวางพฤติกรรมไม่เหมาะสมปุ๊บก็ส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยนได้ฟังมาก็คือเสียจบกับผู้หญิง เอ่ครับหมายถึงว่าถ้าเป็นมู้ยิงก็คือพิจเนสที่มู้ใจมีกับมู้ญิงมาเต้าที่มู้ยิงมีกับผู้ชายครับจะมาเต้ากันก็คือผู้ชายแค่หันมู้ยิงก็เป็นพิตเนสแล้วสําหรับผู้ชายแต่มู้ยิงจะเป็นพิจเนสมู้ยิงครับสำหรับผู้หญิงเองเนี่ยผู้ชายจะเป็นพิจเนสก็ต่อเมื่อผู้ชายคนนั้นต้องมีความหมายสักอย่างเช่นเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรที่รู้สึกน่าหลงไหลหรือมันต้องหล่อเบอร์ในขณะที่ผู้ชายตรงการข้ามกันคือบางคนก็ขอให้เป็นผู้หญิงก็พอละ พอผู้ชายอย่างนั้นจริงๆคือเราจะไหวอะไรนะครับลูกหลานลูกหลานเป็นฟิตนาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเพราะเหมือนกับเขาว่าไงนะครับลูกเป็นไข่ขาวหลานเป็นไข่แดงตอนมีลูกก็หลงลูกระดับหนึ่งกตีลูกอยู่พอมีหลานปุ๊บจะไม่ค่อยกล้าตีกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไข่แดงครับบางคนเขาก็แสวว่าลูกบางทีถ้าเกิดมีหลานเนี่ยเยอะลูกจะกลายเป็นเปลือกไข่คือพ่อแม่ไม่สนเลยสนแต่หลาน นเนี่ยก็พูดแล้วผอาให้ครบ6อย่างเลยนะครับผมมีผู้หญิงนะครับมีลูกหลานมีทรัพย์สิสนแล้วก็มีมาะาสัตว์พาหนะครับพาหนะในกรุรานหมายถึงสัตว์พาหนะคือมา้าแต่ในยุค ข, ของเราก็คือรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์รถยนต์จักรยานอะไรก็ตามแต่ที่มีขับกันคือถ้ามีปุ๊บมันก็โดยเพราะคนหื่อใหม่ๆครับรถมาใหม่นี้แทบจะขึ้นไปบนเตียง คือล้างถูอย่างนั้นแหละบางทีคนอื่นเห็นแล้วมั น, ม, นมันไส่จะล้างอย่างละไม่ละเหมือนเจาะอย่างเหมือนไส่เจาะอย่างครับบัดเมื่อเปลี่ยนฟิตเนสแต่ครับอันที่ห้าก็คือบรรดาปัสสัสต์อันที่หก็คือสวนคือถ้าเกิดว่าคนถึงวัยหนึ่งใช่ไหมบางบางท่านอาจจะถึงวัยเกษียณอาจจะลุ่มหลงกับการ พราะปูกเลยชอบจัดสวนชอบแต่งสวนคือหมดทั้งวันคือเข้าไปเดี๋ยวแต่งนั่นตัดนี่ตัดนี่เดี๋ยวพวนดินเดี๋ยวทํานั่นทํานี่หมดวันทั้งวันหมดไปกับสวนแล้วพอเห็นมันสวยเห็นมันอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ภูมิใจอันนี้คือ6อย่างที่เป็นบททดสอบตามธรรมชาติของโรกจุนยาที่มีอิทธิพลกับมนุษย์ทุกคนที่มีอิทธิพลกับมนุษย์ทุกคน6กอย่างครับเพราะเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับ ผู้หญิงนะครับก็มีทั้งผู้หญิงที่เป็นคนดีผู้หญิงที่เป็นคนสร้างเอมฟิตนะทรัพย์สินก็มีทรัพย์สินที่เอาไปทําของดีได้มากมายและเช่นเดียวกันก็ทรัพย์สินที่ทําให้คนเสียคนลูกหลานชัดเจนครับลูกหลานก็มีทั้งดีและไม่ดีเพรา ะ, ะนั้นทั้งหมดที่พ่อวอลล์พูดพ่อวอลล์ไม่ได้บอกว่าหอย่างนี้ไม่ดีแต่พ่อวเลล์บอกว่า6อย่างเนี่ยเป็น6อย่างที่ว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยจะลุ่มหลงไปกับมันจนทําให้หลงลืมเป้าหมายในการเป็นมุสลิมถ้าไม่ระวังตัวถ้าไม่รระววััังตคบ เพราะอย่างท่านเบียร์มัสลูอิสลามก็รักหลานของท่านรักมากเลยท่านอาซานกับท่านอูเซนแต่ว่าความรักของท่านที่มีต่อหลานก็ไม่ได้ทําให้ท่านเสียผู้เสียคนอะไรท่านก็ยังเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นสุดยอดผู้ศรัทธาก็แปลว่าของทั้ง6อย่างเนี่ยรักได้ชอบได้รักได้ชอบได้แต่อย่าถึงขั้นลุ่มหลงจนให้มันมานําเป้าหมายการเป็นมุสลิมแค่นั้นก็พอครับเดี๋ยวจะบอกว่าฉันมีพาหนะไม่ได้ฉันมีสวนฉันทําสวนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับ หอย่างทำได้เพียงแต่ว่า6อย่างนี้มันจะทําให้คนลุ่มหลงกับมันก็ต้องระวังไปด้วยประเด็นของเราครับในสุระอนเนี่ยหลังจากที่ผมบอกว่าท่านอบีได้เตือนไว้ว่าฟิตรน่าใหญ่ที่สุดสำหรับประชาชานนี้มี2 อ, อย่างคือทรัพย์สินกับผู้หญิงในสุระอนนี้ครับพวกเรารอได้บอกว่าความหายยนะนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทุกวัยรุ่นคือความหายยนะอ่ะนบีนะครับจะมีแก่ผู้ที่ชอบใส่ร้ายและทําลายผู้อื่น คือคําว่าฮูมาซากับลูมาซาเนี่ยนักวิชาการนักตับซีดมีทัศนะที่หลากหลายว่าความหมายต่างกันยังไงบางท่านก็บอกว่าฮูมาซาคือการทําลายด้วยกับคําพูดลูมาซาคือการทําลายด้วยกับพฤติกรรมบางท่านก็บอกว่าฮูมาซาคือการทำร้ายต่อหน้าลูมาซาคือการทําลายรับหลังสรุปก็คือทุกทัศนะของนกักอธิบายกุฎานพูดความหมายไปในแนวเดียวกันก็คือ ฮูมาซ่กับลูมาซ่คือคนที่ทำความเสียหายให้กับคนอื่นทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทั้งด้วยกับลิ้นทั้งด้วยกับการกระทำทั้งหมดเรียกว่าเป็นฮูมาซะกับลูมาซ่ฮูมาซกับลูมาซซึ่งพวกเราบอกว่าความหายยนะเนี่ยมีแก่คนจำพวกนี้ ถามว่าคนที่ทําตัวแบบเนี้ครับเขาจะสนใจสุรอนี้ไหมครับไม่สนเพราะฉะนั้นที่พวกเลาเตือนก็คือเตือนคนที่กําลังจะเป็นแบบสองกลุ่มนี้ก็คือเตือนพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนมีโอกาสหมดเลยเพราะว่าพวกเรามีชัยตอนอยู่กับเราแล้วเราก็คบค้าสมาคมกับคนอื่นแล้วบางครั้งมันก็มีกระทบกระทั่งบ้างทีนี้พอกระทบกระทั่งปุ๊บบางทีก็มันก็มีความรู้สึกโกรธบางทีโกรธก็อยากไประบายให้คนอื่นฟัง พอระบายปุ๊บบางทีมันไม่จบแค่ระบายมันจะมีการเสริมมันจะมีการเพิ่มมันจะมีพิจราที่เพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสุรานี้พวกล้อเตือนพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาส่วนบรรดาคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาผู้ไปเศสศศรัทธาหรือคนที่เลือกที่จะเป็นฮุมาซ่ากับรุมะซ่าพวกล้อได้บอกไว้แล้วว่าเขาจะพบความหายนะแน่นอนความหายนะที่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเราแปลกราดให้ครบก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูสีลปรประเด็นสีลปรประเด็นพวกเราบอกคุณลักษณะของพวกที่ชอบทําลายคนอื่นนิสัยพื้นฐานของคนที่ชอบทําลายคนอื่นจะมีคุณลักษณะเด่นเดนอยู่หนึ่งอย่างอาขอโทษสองอย่างคุณลักษณะเด่นเด่นมีสออย่างที่ว่าเราไปสังเกตตัวเลยคนที่ชอบดินทา้ใสา่ร้ายคนที่ชอบว่าร้ายทําลายคนอื่นจะมีสองคุณลักษณะนี้เสมอตามที่พวกเราอ่านในกุรานคุณลักษณะแรกอัล a d i Jamama l o ว Addda คือบรรดาคนที่ว่าชอบสะสมทรัพย์สินแล้วก็เอามันมานับครั้งแล้วครั้งเล่าโอตอนนี้ฉันมีเงินเงินขึ้นบัญชีมาแล้วขึ้นมาอีก5 0าร้อยขึ้นมาอีกพันเอามานับอีกทีเอามีเงินมามานั่งนอนมากอดเอามีแหวนมีส้อยมีทองคามีอะไรก็ตามแต่อย่างถ้าเกิดภาษตไทยเขาบอกเนี่ยครับมีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งจนเลือนไหว <c oughs> คือบางทีทรัพย์สินก็ไม่ดีมีเยอะแต่ก็แบบ ระแวงมันทั้งระแวงมันทั้งกลัวแล้วก็มันก็รู้สึกว่าได้สัมผัสแล้วมีความสุขแล้วก็ได้รูปได้คําได้อะไรคนที่ชอบทําลายเกียรติยศคนอื่นจะมีลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นคนที่บ้าเงินบ้าเงินคือถ้าเกิดว่าได้เงินมาก็จะเงียบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ให้เงินประจําลองไม่ให้ขึ้นมาเขาจะด่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คนในลักษณะที่สองครับ ยาสบูอันนามาละฮูอัคละคนประเภทนี้ด้วยความที่เขารุ่มหลมกับทรัพย์สินของเขามากเขาจะไม่คิดถึงเลยว่าเขาจะต้องตายมันเป็นข้อเสียตรงไหนครับคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะตา ย, ย, ย, ยคือคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายเขาก็ไม่ถ้าพูดแบบเป็นภาษาไทยก็คือไม่สนในเรื่องบาปบุญคุณโทษ เพราะมันไม่มีอะไรเขาก็คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาได้ผลประโยชน์สูงสุดครับซึ่งคนลักษณะรูปแบบนี้หนึ่งในนิสัยที่จะต้องมีติดตัวเขาก็คืออิจฉาริษยาครับมันมันมันจะมาเป็นเซตเลยมันจะมาเป็นชุดเลยก็คือเป็นคนลักษณะที่ว่าทั้งหมดเริ่มจากอะไรครับนินทาคนอื่นแค่นั้นแหละคือสิ่งที่มุสลิมเราต้องตระหนักให้มากเลยก็คือว่าความบาป ความชั่วมันไม่เคยหยุดในแก้วเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแก้วหนึ่งมันจะมีแก้วที่สองแล้วความชั่วมันจะดึงพวกพ้องของมันมายกตัวอย่างเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายผู้หญิงตอนแรกก็แค่อยากจะพูดคุยกันก็ อ, อาจจะหาจังหวะไปว่าไปอยู่กันตามลำพังสองต่อสองอยากจับมือถือแขนเริ่มจากแบบหนึ่ง แล้วมันก็จะลามไปติดๆถือความชั่วสังเกตดูมันไม่เคยหยุดแค่อย่างเดียวต่อให้เราคิดว่าเราดำดิ่งแค่ไหนแล้วก็ตามเรายังจะดำดิ่งกว่านั้นได้อีกอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปได้จากชีวิตของผมโดยตรงเลยคือช่วงวัยรุ่นผมก็รู้สึกว่าทําไมเราตกต่าขนาดนี้ทําไมเราไม่ดีขนาดนี้คือเชื่วมันสุดๆแล้วแต่มันดันมีตกต่ํากว่านั้นได้อีกแล้วก็ได้อีกแล้วก็ได้อี ก, ไ ด, อกได้เรื่อยๆเพราะนั้นความชั่วถ้าเราไม่หยุดด้วยกับการเตาบ้า มันจะลงไปเรื่อยเรื่อยมันจะไม่มีคําว่าพอในการทําความชั่วนะครับไม่มีคําว่าพอนอกจากว่าเราจะเตาบ้าสานึกผิดกับเนื้อกับตัวต่อร้อนนั่นแหละเราถึงจะหยุดได้จริงๆเพราะนั้นกุญแจลบล้างความชั่วคือเตาบ้าต่อไปครับพวกเราบอกถึงคุณสคนใลักษณะแล้วนะคุณลักษณะแรกก็คือชอบสะสมชอบเงินบ้างเงินแล้วก็นับแล้วนับอีกคนประเภทนี้ก็จะขีิ้ฉา ล, ลิลิษยาก็จะมีความไม่พอใจในตัวเองความสุขของเขาคือการที่มีทรัพย์สิน คนประเภทนี้คือคนที่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามเขาไม่มีทรัพย์สินเขาจะไม่เขาจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงคือค่าของเขาอยู่ที่ทรัพย์สินของเขาคนประเภทนี้คิดว่ามีไหมครับคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไหนฉันไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้แต่งตัวดีๆฉันไม่ได้เสด็นาฬิการเรือแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนฉันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เรายึดติดกับวัตถุถ้าเราไม่มีมันเราก็จะกลายเป็นคนกวง อันนี้ที่มุสีมต้องระวังโดยเพราะมุสีมต้องระวังยิ่งเราให้ค่าทรัพย์สินมากเท่าไหร่ก็ตามคุณค่าความเป็นคนของเราในสายตาของเราเองจะยิ่งต่ำคือเราจะรู้สึกว่าเราสูงส่งก็ต่อเมื่อเรามีวัตถุเท่านั้นครับพอเล่าเก่าไปครับกัลเลลายุมบาเด้ฟิลล์โคตต์่อมาอายะที่4ครับอาจจะดูความหมายเลยก็ได้เพราะมีคําอ่านอยู่นะครับกํากัดอยู่พอจะช่วยได้กัลเลลายุมบาเด้ฟิลล์โคตต์ต่อมาเปล่าเลยเปล่าเลย เปล่าเลยนี่หมายถึงอะไรครับพวกลอร์กกำลังปฏิเสธเรื่องอะไรปฏิเสธเรื่องที่เขาคิดว่าเขาจะไม่ตายเขากำลังหลงเงินกับทรัพย์สินใช่ไหมคิดว่าจะไม่ตายใช่ไหมพวกลอร์ก็บอกว่ากัลลเปล่าเลยแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกที่ชื่อว่าอัลลัคุตต่อไหมคือนรกมีหลายชั้นนรกมีหลายระดับมีหลายขุมมีหลายที่ที่ที่ ฮูมาซ่กับลูมาซ่จะต้องลงไปหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปคือไฟนรกที่ชื่อว่าอัลฮุตตอมะอัลฮุตตมะฮัตตอมภาษาหลับหมายถึงการทำลายล้างเราจินตนาการถึงไฟที่ว่ามีความสามารถในการทำทำลายล้างทุกอย่างแบบไม่เหลือซากความร้อนกี่องศาแบบไม่ให้เหลือซากครับ โฟล์ลบอกไงครับเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกที่ชื่อว่าละฮุตต์ไมว่ามาอัดรกัมาละฮุตตาไหมโฟลถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าอะไรเนี่ยคือไฟนรกขุมที่ชื่อว่าละฮุตต์ไหมแนรุลลอฮิลมูกละมันคือไฟของอัลลอ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานอย่างที่เราพูดกันหลายครั้งใช่ไหมครับไฟยิ่งจุดนานมันยิ่งร้อนแรงจากไฟที่ไม่สามารถ ไม่หม้อได้มันก็สามารถไม่ม้อได้ละลายหม้อได้เพราะฉนั้นไฟนรกพวกเราใช้เวลาจุดอย่างยาวนานอย่างน้อยที่สุดคือสามพันปีที่ท่านบีมัสลอลยสลัมบอกไว้ก็คือพันปีแรกจุดไฟนรกปกติอีกพันปีจุดให้เป็นสีขาวอีกพันปีจุดให้เป็นสีดําสุภาธรรมร้อก็ขอดูวลชาวร้อยพวกเราทุกคนเห็นจากไกลๆก็พอครับเห็นจากไกลๆก็พอไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ครับอาเมีครับผม อัลเลตต์อลอได้อธิบายให้ฟังครับอย่างที่พวกเราทราบก็คือชาวนรกเนี่ยพุ่งอรรจะสร้างร่างกายที่ทารหดอดทนแข็งแกร่งยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่มีในโลกนี้ก็คือร่างกายใหญ่โตด้วยแล้วก็ทนด้วยทนแค่ไหนครับถ้าอย่างที่ท่านอับดุลเบี๊ย์วะสเลสลามบอกว่าชาวนรกจะได้อยู่ในคนที่ได้อยู่ในนรกชั้นสถานเบาที่สุดสถานเบาที่สุด ก็คือเขาจะยืนอยู่บนหินที่ร้อนโดยความร้อนนั้นส่งความร้อนมาทำให้สมองเดือดได้คือเราจรินตนาการว่าการที่สมองเดือดแปลว่าไฟมันสามารถลามขึ้นมาขึงข้างบนได้โดยที่ร่างกายยังอยู่ครับแต่มันหมายความว่าร่างกายต้องมีความอืดแบบเยอะมากจนกระทั่งว่าถึงจนกระทั่งว่ามาละลายสมองมาทำให้สมองเดือดและทาให้ทุกอย่างทรมานซึ่ง เอ่อใครที่เล่นแก้มเล่นอะไรนะครับอยากได้ร่ ก, กายที่เข้มแข็งนะครับเป็นแชมป์ในโลกรกายแข็งแรงแน่อย่าไปเป็นนะอย่าไปเป็นอย่าไปเป็นแข็งแรงแบบธรรมดาในโลกนี้ก็ทำดีแล้ล ะ, ละอย่าไปแข็งแรงในโลกแน่ครับพอเล่ากาต่อว่าไงครับอัลเลติเตตัวดูและลาอฟิีดามันจะแผดเผาลุกไหม้ทุกส่วนทุกอวัยวะของเขาจนไปถึงหัวใจคือจะเผารามไปจะถึงเครื่องในความรู้สึก ไม่เคยมีใครรู้สึกแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครรู้สึกแต่ผมถามได้เฉยพวกเราลองคิดจินตนาการเวลาที่เครื่องในของเราไหมครับเราเคยดีนว่าตับแลบตับแลบใช่ไหมครับร้อนตับแลบตับมันไปได้สองอย่างนะเนาะไม่ไม่ตับที่ว่าเรียงเป็นตับก็คือตับข้างในแต่ถ้าเกิดเราลองจินตนาการถึงความร้อนที่ทําให้ไบัยว่าเราเดือดท่านแล้วพวกเราบอกว่ามันเข้าไปถึงหัวใจซึ่งมันเป็นอยู่ตรงกลาง ของร่างกายคือไฟที่มาเนี่ยพวดเราบอกว่าไงครับอินนะฮะอิไลฮิมุสเดะฟีอัมมาริมูมัตเดะมันจะถาโถมปกคลุมเขาเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างแบบไม่มีช่องว่างนะครับคือไฟนี่มาแบบบางทีไฟมันก็น่าจะลุกมาแล้วก็หายไปแต่นี่คือเป็นไฟที่แบบมาแบบมาอย่างต่อเ น, นื่องมาแบบกระชั้นคือมาแล้วก็มาอีกมาแล้วก็มาอีกม า, ม า, มาต่อกันเป็นทอด โดยที่ไม่มีช่องว่างเลยฟีอมัมมาดิมุมัตดาพราะเราบอกว่าอยู่ในลักษณะของเสาชัลูดที่มาจากไฟนรกก็แปลว่าไฟมันมาแบบไม่มีจังหวะให้ชาวนรกได้พักไม่มีจังหวะให้ชาวนรกได้พักแล้วก็มาเจอถ้าว่าเมื่อร่างกายไม่เหลืออะไรแล้วอย่างที่พวกเราทราบกันพระวลลก็จะให้ร่างกายของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่ว่าไฟก็ยังมาอย่างต่อนเนื่องเหมือนเดิมนี่คือที่พมนักที่ ฮุมมซกับดูมาซ่าคนที่มี3ามณลลักษณะที่อลัลลอเตือนอันแรกก็คือฮุมมาซ่ดูมาซคือชอบนินทาชอบทำลายคนอื่นทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังด้วยกับคำพูดหรือด้วยกับพฤติกรรมแล้วก็หลงกับดุญยาด้วยกับการที่ว่าทํานก็ได้ให้ฉันได้ดิสกี้ให้ฉันได้ปรัจัยอย่างชีพแล้วก็คอยนับมันอย่างเป็นเนืองนิดก็คือคนประเภทนี้จะไม่บริจาคนอกจากจะต้องได้ผลประโยชน์กลับมา ส่วนคนระดับที่สามก็คือเขาเป็นคนที่ไม่คิดว่าโลกน่าจะมีจริงก็คือเมื่อไม่คิดว่าโลกน่าจะมีจริงคือความชั่วทุกอย่างที่เขาทําเขาไม่มีควาว่าลายต่อไปแล้วซึ่งมันเป็นคุณลักษณะที่พวกเราทุกคนอาจจะเป็นได้ต้องใช้คำว่าพวกเราทุกคนนี่คือความน่ากลัวความน่ากลัวเรามาดูทีละอายะกันครับมาคุยกันทีละอายะพวกเรากล่าวว่าไงครับในระยะแรกความหายาน้าจะมีแก่ผู้ที่ชอบใส่ร้ายและทําลายผู้อื่น ความหายนะถ้าพูดถึงความหายนะเราคิดถึงอะไรบ้างความหายนะ์พลทเราบอกว่าเกิดแน่นอนถ้าเราพูดถึงความหายันต์นะครับถ้าเกิดเราดูจากคดีระมวลจากคดีระมวลจากโบ ร, ร, รานทั้งหมดเราจะพบว่าสิ่งที่พุทธเราเตรียมไว้ให้กับคนที่ชอบนินทาใส่ร้ายทำร้ายผู้อื่นเนี่ยมันโดนตั้งแต่โลกนี้ละตั้งแต่โลกนี้แล้วก็โดนในหลุมฝังศพแล้วก็ ไปจนถึงบันพิพากษาในหลุมฝังศพอะไรบ้างที่เขาจะโดนครับอย่างน้อยที่สุดแล้วในบันทึกของ ม, มัมมุสลิมใช่ไหมครับที่ว่าครั้งหนึ่งท่านอับดุลเบียร์มัสลลอยส์ดัมเนี่ยเดินผ่านหลุมฝังศพ ส, สองหลุมท่านอับีบอกว่าไงครับทั้งสองหลุมนี้กำลังถูกลงโทษแล้วก็ไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องใหญ่คือใครๆก็คือเป็นเรื่องเล็กๆ หรือฝังศบหนึ่งเวลาปัสสวาวนะเนี่ยไมไ่รักษาความเรียบร้อยคือปัสสวาวะไม่เรียบร้อยปัสสวาวะไม่เรียบร้อยก็คือไม่ละมัดระวังความสะอาดหรือว่าปัสสวาวะแล้วโชว์คนอื่นคือไม่ได้ปกปิดเพราะเรื่องของการขับถ่ายมุสลิมถือว่าเป็นมารยาทที่เราต้องทําอย่างปกปิดคือมุสลิมเราครับต่อให้เป็นในห้างห้ามเข้าไปที่ยืนฉี่แดดขาดคือเราจะไม่มีพฤติกรรมตัว ย, ยืนฉี่เป็นแถวไม่ใช่พฤติกรรมของมุสลิมแล้วการยืนฉี่ในโถเด้งกลับมาร้อเเซ เด้งกลับมาร้อเป็นก็คือว่าถ้าเกิดมันกลับมาปุ๊บกางเกงมีในยิสลามาดไปเอาล็อก็ไม่รับอันนี้อันตรายอีกหลุมหนึ่งท่านรบีบอกว่าถูกลงโทษเพราะอะไรครับเขาชอบพูดยุแหย่ให้ชาวบ้านเขาแตกกันชาวยุแหย่ก็คือไปหาคนนี้ปุ๊บก็พูดเหมือนกับว่าแค่พูดสนุกแปลกเอยเนี่ยมันเป็นคนอย่างงั้นมันเป็นคนอย่างนี้เออมันทําอย่างนั้นมันทําอย่างนี้มาเออเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นคนดีจริงมันไม่ดีผู้หญิงะมันไม่ใช่คนดีหรอกมัน ไปปลักรอบค บ, บชู้สู่ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้หรเห็นมันคุยในเฟสอะไรคือมันเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากพูดนะแต่เหมือนกับมันจะเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันของเราไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของดาราอาจาพูดโอ้ดาราคนนั้นมันเลิกกับคนนี้แล้วนี่อันนี้เข้าข่ายฮุมมะซาดูมาซาด้วยนะเข้าขายนินทาใส่ร้ายด้วยคือไม่ใช่ว่ามุสิมห้ามนินทาเฉพาะมุสิมด้วยกันรู้ไปหมด ครับ <l ots> บารัคโอ ล, ลฟี่กลุ่มครับมีครั้งหนึ่งครับท่านอบีุัลาหสุลามถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่ารีบ้าคืออะไรซอบ้าก็ถามว่าร้อยละส่วนท่านรู้ท่านอบีุก็บอกว่าการที่ท่านพูดถึงพี่น้องในเรื่องที่เขาไม่ชอบในเรื่องที่เขาไม่ชอบ <ใน S 1> คือสมสเม่นครับเม่นครับครับคือเฮาเเฮาเข้าใจไปเองว่าหมายเจ้เรื่องเสียหาย <ใน S 1> แต่เขาต้องถามว่าเจ้าตัวดาราครับพอแาวมันลือออกไปเนะ่ะเขาชอบก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าเขาชอบมันเป็นอยังแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบอย่างที่มดัดีเขาต้องแบกฮับไปสมมติเหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งแบบไปยกตัวอย่างแบบอาจจะมาดีตั้งใดนะครับผู้ชายคนหนึ่งอาจจะแบบวมีโอกาสไปนอนกับมีมาหลายคนแล้ว แล้วหมู่ไวรุ่นอาจจะบอกว่าเขาอิจฉาคนนี้แล้วเกินดาราคนนี้ไปนอนคนนั้นก็ไปนอนนอนนอนการเป็นแบบอย่างเขาต้องรับบาปของคนทุกคนที่ชื่นชมกับการที่เขาทำบาปนั้นไปครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าเราพูดในสิ่งที่เขาเป็นนบีบอกว่าเรียกว่ารีบาแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเรียกว่าบุตรตาคือการใส่ร้ายหรือว่านามีมาซึ่งหนักกว่าหนักกว่ากีบะหนักกว่ารีบาสรุปก็คือการทําร้ายคนอื่นเพราะว่า มนุษย์เราทุกคนอิสลามให้ความคุ้มครองสิทธิ5ด้านหด้านหนึ่งในนั้นก็คือสิทธิ์ในเรื่องของเกียรติยศคนทุกคนมีเกียรติแล้วต้องได้รับเกียร ต, ต, ติตามความเหมาะสมที่เขาคู่ควรกับมันใครก็ตามทําลายเกียรติยศของผู้อื่นถือว่าเขาได้ทําสิ่งที่ฮ ARAM ที่เรียกว่าการซาเลมซึ่งเป็นบาปใหญ่แล้วนี่คือสิทธทิอิสลามให้ความคุ้มครองแล้วก็ท่านอบี ก, ก็เตือนไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็ก มองเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นว่าในหลุมฝังศพก็ถูกลงโทษประเด็นที่ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับการลงโทษในหลุมฝังศพเป็นสิ่งที่มีแน่นอนท่านอับดุลเบี๊ยมัสลอร์ลอฮีสัลามได้เล่าไว้ในหลายสายรายงานด้วยกันท่านอับดุลขัยมาบุคฮาริมามุสลิมทุกสายรายงานหมายถึงว่านักวิชาการฮะริษทุกคนต้องมีสายรายงานเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิเสธโดยดื้อดึงบอกว่ามันไม่มีแน่แน่ฉันเชื่อแค่มีแต่นรกอย่างเดียวค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเพราะถ้าใครปฏิเสธสิ่งที่นบีพูดก็เท่ากับเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ถ้าใครที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็คือตกศาสนาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้าเตือนนะครับว่ามีการลังโครดฝังศพมีแน่นอนแล้วพวกเราก็ต้องระวังตัวให้ดีและท่านเบียร์สละต้องเตือนว่าการลังโทรในหลุมฝังศพนั้นเป็นจุดเริ่มต้น คือหลุมฝังศพเลยเป็นจุดเริ่มต้นใครก็ตามไปถึงหลุมฝังศพแล้วรอดโลกนาลอดบันเกียร์มาลอดแต่ไปถึงหลุมฝังศพแล้วไม่รอดบันเกียร์มากก็ไม่รอดทีนี้เรามาดูการลงโทษในโลกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนอกจากที่พระลอพูดไว้ว่าเขาจะได้ลงไปอยู่ในอลัลลอฮต่อมามีการลงโทษอย่างอื่นอีกไหมคาตอบมีไม่ใช่แค่ไฟที่มาแบบเป็นอย่างนี้ ไฟที่มาอย่างต่อเนื่องยังมีการลงโทษที่เกินจินตนาการอยู่ในบันทึกของอิมาาบุคฮรีกับอิมา ม, มุสลิมสอาบะบ้าเล่าให้กับเราฟังครัว่าท่านอับดุสลสลามเนี่ยปกติเวลาเช้าก็คือหลังจากที่ละหมาดซูบอสเสร็จหลังจากที่อ่านซิเกตอ่านกุรอานละหมาดดูฮารีเสร็จคือพอช่วงเช้าๆปุ๊บท่านอบีก็มักจะถามบรรดาสอาบะบ้ว่าคืนที่ผ่านมาใครฝันอะไรบ้างท่านอบีก็จะตีฝันให้คนที่ท่านต้องการ ก็คือใครเล่ามาบางทีท่านอบีก็ตีบางทีก็ไม่ตีมีคืนหนึ่งครับก็คือหมายถึงว่าสำหรับซาบัดเป็นเรื่องปกติเลยที่ว่าจะฟังท่านอบีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการตีฝันหรือว่าอะไรประมาณนี้มีครั้งหนึ่งครับท่านอับดุลเบียร์วัลรอร์ฮะเลสลัมหลังจากที่ถามซาบัดแล้วก็เรื่องลาเรียบร้อยไปแล้วท่านอบีก็บอกว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเมื่อคือนที่ผ่านมามีบุคคลมาเยี่ยมสั์มาเยี่ยมชั้นเนี่ยสองตน ไม่ใช่คำว่าตนนะกับมาเลย์แกผมว่าคุณไม่เรียกว่าคนน่าจะเรียกว่าตนแล้วป่ะสองท่านอ่จาจารย์คุณล้อารองขอบคุณอาจารย์ครับอ๋อตนใ จ, จกับยักษ์เลยครับโอเคครับเนีเ่ยก็ต้องใจคำที่เหมาะสมกันนั้นนะครับใช้ท่านดีกว่า <c oughs> อมีบุคคลมาหาฉันเนี่ยสองท่านมาพาฉันไปทัวเราชอบทัวใช่ไหมครับอันนี้นบีฟองล้อสั่งให้มาเลย์แกพาไปทัวก็ มาเลย์กาเนี่ยก็พาท่านอับดุลมุสรรลสล็อห์อิสลามไปทัวร์ซึ่งการที่ท่านอับดุลมุลลอิถูกมรราเลย์าพาไปในยามค่ําคืนเนี่ยเราเชื่อได้ว่าเป็นการอิสร็ออิสร็อก็คือการในทางตอนกลางคืนหรืออิสลอแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไปรับบุญเมื่อหยัดละหมาดนั้นคือมิอารอ์ตอิสล็อกับมิอรอ์ตมีทั้งคู่เลยทั้งดูตอนกลางคืนแล้วก็ได้ขึ้นไปรับบุญเมื่อหยัดการละหมาดแต่ว่าเรื่องอิสล็อกเนี่ยหลายครั้งท่านบีเดุลมุสลล็อห์เดินทางย า, คาคยครั้ง ครั้งนี้มลายกาที่มาพาไปเนี่ยสองท่านท่านอาบีไม่ได้บอกว่าเป็นใครใครก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าพาไปทัวร์นรกมาพาไปทัวร์นรกมลายกาครับพาท่านาบีรมาสัสลัมไปทัวร์มาบางท่านอาจจะบอกว่าไปทัวร์นรกแล้วมันมีคนในนรกอยู่แล้วเลย อ, อันนี้เป็นเรื่องอินมุลเกฟเพราะอัลลอฮ์ต้องการใช้ท่านอาบีเห็นเพื่อมาเตือนพวกเราเพราะสำหรับพวกอัลลอฮ์แล้วเวลา ไม่ใช่เงื่อนไขอะไรสั้นๆพค์เลยเวลาไม่มีความหมายเลยเลยสิ่งที่ท่านนบีมุสลิมละฮ์มาละอิสลามเห็ น, นครับผมขออนุญาตเล่าฮะดิษให้จบเลยนะครับมันมีทั้งส่วนที่เราต้องการกับมีส่วนเสริมที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนรวมทั้งตัวผมเองท่านนบีก็เดินทางไปกับเมิลาก๊สองท่านครับแล้วก็ไปเจอคนที่ว่ากําลังอยู่ในท่าคล้ายๆกับนอนเอกนิกนอนเอกนิก e คล้ายๆกับว่าไม่ได้นอนแผ่สทีเดียวก็คือหลังยกมาหน่อยหลังยกมาหน่อยอาจจะมีอะไรอินอยู่ในท่านั้นพูดว่านอนเอกนิกฟังดูเหมือนสบายแต่ว่าท่านาบีเห็นมีสองคนคนแรกก็คือนอนเอคนิกอีกคนนึงยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็แบกหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอามาแล้วก็โยนทุ่มใส่หัวคนที่กำลังนอนอยู่ ความแรงครับที่ท่านอบีมัสลายสลัมบอกไว้เราเวลาเราเอาหินโยนโดนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันกระเด็นไปไกลเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแรงเยอะมากใช้แรงเยอะมากคือ ท, ท่านอบีบอกว่าหินที่ทุ่มเนี่ยเมื่อทุ่มเสร็จใช่ไหมครับหัวแหลกแน่นอนหินนั้นมันก็กิ้งกิ้งกิ้งกิงกไปไกลเลยคนคนนั้นก็เดินไปหยิบหินมาอีกรอบหนึ่งพอกลับมาปุ๊บคนคนนั้นคือกลับมาหัวมันเดิมแล้วก็โดนทุ่มอีก โดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆท่านอบีเห็นก็ก็ตกใจบอกว่าอันนี้คืออะไรเขาทำอะไรทำไมเขาโดนแบบนี้เหมือยการทั้งสองก็บอกว่าไปต่อไปต่ออ่ะท่านอบกีก็ไปต่อให้ดูอะไรก็ให้ดูเหตุการณ์ที่สองครับไปจุดที่สองพบคนที่ว่าคนหนึ่งอ่ยนั่งอยู่อีกคนนึงยืน คนที่ยืนเนี่ยถือขอเกี่ยวแต่ขอเกี่ยวจินตนาการง่ายๆคือสามแง่งที่ว่าเอาไว้เกาะอะไรเกาะปีนขึ้นไปประมาณนะครับภาษาลำโลกการูขอเกี่ยวเนี่ยถูกโยนแล้วก็เควื่องปักเข้ามาในหน้าแต่ขอคมๆเนี่ยแหละครับคือปักทะลุอันนึงก็คือเข้าตาอันนึงเข้าขมับอีกการเข้าปากแล้วก็โดนแกชาดของแมา พอทำข้างซ้ายเสร็จมันแหวงยังไงสภาพตามที่เป็นนั่นแหละก็กลับมาทําข้างขวาต่อพอกระชากข้างขวาเสร็จข้างซ้ายหายเป็นปกติเดียวกับความรู้สึกที่เหมือนเดิมไม่มีชาไม่มีอะไรแล้วก็ดึงกระชากไปกระชากกระชากกระชากกระชากกระชากท่านอบีเห็นก็ตกใจแล้วก็บอกว่า เ, เขาทําอะไรมันเกิดอะไรมาริแกสองท่านบอกไงครับไปกันต่อ ทีนี้พอไปกันต่อครับท่านนบีก็ไปเจอสถานที่ที่มีคุณลักษณะคล้ายกับองง์อง่์โรตีเคยเคยกินโรตีองค์ใช่ไหมครับที่มันใหญ่ๆอะ่ะครับครับแต่นี่คือเป็นองค์ขนาดยักษ์เลยองค์ขนาดยักษ์แล้วก็มีปลายที่แบบว่าสูงชะลูดนะครับมีสูงชะลูด ทานบีมองเข้าไปข้างในพบว่าข้างในนั้นมีผู้ชายผู้หญิงเป็นจํานวนมากอยู่แต่ละคนนี่คือเปลือยเปล่าหมดเลยโป้หมดเลยแล้วข้างล่างมีคนจุดไฟอยู่แล้วไฟด้วยความที่ร้อนมันละอุเข้าไปข้างในไฟอยู่ข้างในรตีโองง่งเนี่ยนะ อ, อยู่ในโอ่งนี้ด้วยไม่ใช่รตีโองเขาบ้า <c oughs> คือไฟมันแผดเผาเข้าไปในนั้นแล้วก็ด้วยความรุนแรงอะครับมันร้อนถึงว่ามันโผลพุ่งออกมา แล้วก็พาร่างกายคนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นก็คือลอยขึ้นมาด้วยพอขึ้นมาปุ๊บไฟมันก็ลงร่างกายก็ตกลงมากระแทกพื้นแหลกเหลว ก, กล็กลับมาเหมือนเดิมทรมานปุ๊บกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โดนเผาสุ่มไปเรื่อยๆโดนอย่างนี้ไปเรื่อยๆชั้นนบีอัลกัลลัมก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรบริการทั้งสองท่านก็บอกว่าไปต่ อ, อไปต่อก็ไปต่อ ทีนี้พอไปต่อครับเจอคล้ายๆกับเป็นลำธารลาธารเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่นี่ใช้คำว่าแอ่งน้ามากกว่าแอ่งน้าขนาดใหญ่น้ามีลักษณะสีแดงเหมือนเลือดเป็นบ่อน้ำที่ว่าไหลก้นคือมีคนอยู่ตรงกลางบ่อ คือพออยู่กลางบ่อมันก็จะจมน้ําตายครับมันก็จะตีน้ํากระสือกระสนมันก็กินน้ําไปมั่งอะไรไปมั่งก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองนั่นแหละ mm hmm. พอมันไม่ไหวปุ๊บมันก็ต้องขึ้นฝั่ง mm hmm. พอจะมาขึ้นฝั่งปุ๊บมีคนรออยู่บนฝั่งมาถึงปุ๊บก็เอาหินระดมปลา mm hmm. เน้นใบหน้าเน้นปลาให้เข้าปากเด mm ิน hmm. หินแรงๆแล้วมันเข้าปากมันทั้งเคี่ยวล่มทั้งอะไรสารพัรดเดินจน พอมันโดนหนักแล้วมันไม่ไหวมันก็ต้องกลับมาที่เดิมมันก็ต้องเพนเนี้ยครับเพนมาคือมันจะต้มอยู่แล้วไงแต่มันไม่ตายเพราะมันมีคาว่าตายคือจะกินน้ําแค่ไหนมันก็ไม่จมตายไปคือเ อ, อได้กินเลือดไปตลอดชีวิตประมาณนะครับพอไม่ไหวจะกลับมาก็โดนปลากลับเข้ามาปุ๊บไม่ไหวอีกก็ต้องไปอีกก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันตายครับท่านอบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น มริแกทั้งสองท่านก็บอกว่าเราไปกันต่อทีนี้ก็ไปกันต่อครับท่านอบีก็ไปเจอลักษณะของบุคคลหนึ่งที่ว่าหน้าตาหน้าสะพึงกลัวคือหน้าตาดุดันหน้าตาโหดแล้วก็ล้อมตัวเขามีแต่ไฟเต็มไปหมดแล้วเขาก็ทําหน้าที่จุดไฟไปเรื่อยๆจุดให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นท่านอบีก็ถามว่าคนนี้ใครอ่ะเมริแาก็บอกว่าไปต่อ อ่ะไปต่อก็ไปต่อทีนี้ครับมาลากาก็พาท่านอบีมัสกลลอยอิสลามเนี่ยเข้าไปในสถานที่ที่ว่าเป็นสวนที่ว่ามีความสวยงามคือเปลี่ยนภาพมาเริ่มสบายขึ้นเป็นสวนที่มีความสวยงามมีหลากสีท่านอบีบอกว่ามีสีสันนี่คือครบเท่าที่ธรรมชาติที่งดงามจะมีได้คือมีครบหมดเลยในนั้นท่านอบีเจอคนที่ว่ามีร่างกายที่สูงใหญ่สูงใหญ่ถึงขั้นว่าท่านอาบีบอกว่าฉันไม่เห็นหัวเขา ไม่เห็นหัวนี่คือไม่ใช่ความสำคัญนะครับบางคนบอกไม่เห็นหัวนี่คือไม่ให้ความสำคัญไม่ใช่คือสูงใหญ่มากๆคือสูนใหญ่จนไม่เห็นเลยอ่ะแล้วก็รอบล้อมรอบชายคนนั้นเนะี่ยมีเด็กเต็มไปหมดเลยเด็กเยอะแยะเต็มไปหมดเลยท่านอบีบอกว่าเด็กเยอะจนฉันไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนเด็กเยอะมาก้าครับมาลแกก็พาท่านอบีไปต่อท่านบีก็กลัไป ทีนี้พอพาไปอีกครับทีนี้ก็เริ่มเจอสวนซท่านเบียสเซอร์สแอนเบอร์สวนที่แบบว่าใหญ่โตขนาดที่ท่านเบีไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็มีความงดงามเกินกว่าที่จะจินตนาการถึงคือแบบว่ามันเพียบพร้อมมันสวยงามในนั้นมีพระราชวังที่สร้างมาจากทองคําสร้างมาจากเงินแล้วก็มีประตูเมืองมาเลกาก็พาท่านเบียสเซอร์เข้าไปในประตูนั้น พอเข้าไปในประตูครับท่านนบีเจออาคารที่แบบว่างดงามสีขาแบบงดงามเกินจินตนาการงดงามเกินจินตนาการท่านนบีก็ถามว่านี่คือที่พักของใครมนไกที่พาไปก็บอกว่านี่คือที่พำนักของท่านที่เราเตรียมไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็คือสว่างของพวกเราทุกคนเนี่ยเราเตรียมไม่หมดแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือ คล้ายๆกับไม่รู้มีใครเคยเล่นพวกคล้ายๆเกมสร้างบ้านสร้างเมืองไหมครับคือไอเกมสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยเล่นไปไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ดุนยานี่คือเราทําของจริงเหมือนกับที่ว่าใครก็ตามละหมาดซุนนะวันหนึ่งใช่ไหมครับครบสิบสองรากาสิบถึงสิบสองรากาพวกเราจะสร้างพระสว่างให้เขาหนึ่งหลังในสวรรค์ก็คือเรากำลังทําแบบนี้คือเราอยากได้สวรรค์แล้วเจ๋งแค่ไหนเราก็ต้องทํา หรือว่าการลําดึกเถอละล้ต่างๆเป็นการปลูกต้นไม้ในสวรรค์อยากมีต้นไม้ได้สวยงามแค่ไหนก็ปลูกไปทีนี้ประเด็นครับเมื่อท่านนบีมัลสลิมของเรนสลามเห็นเราคิดว่าท่านนบีจะถามหรือว่าจะขออะไรสิ่งที่ท่านนบีขอก็คือขอฉันเข้าไปดูได้ไหมขอฉันเข้าไปดูไปได้ไหมเมเิกาเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของท่านยังไม่ถึงเวลารอถึงเวลาท่านได้เข้ามาอยู่แน่นอน นี่คือจันตุอะด n i ิ น, นถ้าเด็กกูร่าแล้วเจอคาว่าอ d ด, ดีนินคือสวรรค์ชั้นสูงที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่พระอราละเตรียมไว้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานองอัลลอฮิสลามกับคนที่รักท่านนบีอัลลอฮอิสลมอย่างแท้จริงจะได้อยู่กับท่านในสวรรค์ชั้นสูงที่สุดนี้ฟิฟดัล น, นี่คือเหมือนกับว่าตึงจันนะครับถ้าจะที่บายก็คื อ, อ, อรครับในบริเวณตึงหมดอ่ครับ ชั้นที่สูงที่สุดคือฟิทดาลส์แต่ว่าโซนที่ประเสริฐที่สุดอยู่ตรงกลางของฟิทดัลส์ชื่อว่าอะดีนินครับจันนตุอะดีนินครับอะดีนินแต่เจรีมินตั N ้กที่หันฮานะครับเดี๋ยวเราบอกไว้อันนี้คือสูงสุดแล้วที่ว่ามีทาต น, น้ํานมมีทานอะไรทีนี้ครับหลังจากนั้นก็ท่านอับดุลเบี๊ย์วะสรรุสรอซมก็บอกว่าโอเคคืนนี้คุณพาผมตะเวนดูมาเยอะแล้วเจอเรื่องแปลกประหลาดมากมายช่วยอธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรกันบ้างก็ให้มลย์แกส์อธิบายมา มริลลกาก็บอกว่าเราจะอธิบายให้ท่านฟังทีละอย่างทีละอย่างเริ่มจากคนแรกคนที่นอนเอกเหนกและโดนหินคว้างเขาคือใครครับครับนึกว่าจะบอกว่าเขาคืออาจารย์อินยัตไม่ใช่นะนาอูซิบิลานะครับข อ, ขอความคุ้มรองอย่าไปใช่เขาคือคนที่ว่าองค์การของอัลลอฮ์ได้ถูกพูดให้เขาฟังแล้วเขาปฏิเสธมันเขารู้ว่าลอสั่งอะไรแต่เขาไม่สนใจ แล้วเขาก็ชอบนอนจากการละหมาดสมมตินีใช้ว่านอนจากการละหมาดก็คือไม่สนใจเรื่องการละหมาดก็ดูถึงเวลาฉันขอนอนก่อน <c oughs> อันนี้สำหรับผู้สะทายอีกพอแต่ข้อแรกนี่ผู้เปยเสด็สะทาด้วยคือผู้เปเสด็สะทาที่ได้ยินกุรานที่รู้ว่าเราบอกอยังไงแล้วเขาเลือกปฏิเสธ <c oughs> ซึ่งขอดูอาจากอัลลอ์ให้พวกเรารอดพ้นจากการโดนอยู่ในกลุ่มนี้ครับ คุณนะเหมือนกับจะถามเองก็ครับคุณน้เหมือนที่อยู่กลุ่มนี้ินช้าแล้วครับหมายถึงว่าแบ่มาสนใจละมาศนะครับมาสนละมาศคือถึงเวลาเหมือนกับว่าซูโบแล้วเมื่อกี้ครับโอ้ยฉันหลับต่อกําลังสบายไม่ละมาดแล้วกันคือเหมือนกับคนเหมือนคื้ความสําคบกับการละมาศอู้ง่ายๆครับซึ่งมันจะกลับย้อนไปใน อ, อยายักษรที่เอาอู้แล้วเมื่อกี้ครับถึงเรื่องว่าฟาวัยลุลินมุสลิน ความหายนะ่จะมีแก่ผู้ที่ละหมาดที่เขาไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดก็คือสอยยะผู้นี้ก็ตอบกันเป็นโจทย์ให้งกันครับนั้นอันแรกเคลียอัแรกเคลียต่อไปอันที่สองใครครับคนที่โดนกระชากคือแค่คิดถึงภาพนี่โหดนะ <laughs> เขาคือคนที่คําพูดของเขาทําร้ายผู้คนจนเรื่องลือไปไกล คำพูดของเขานะครับเรื่องรู้ไปแบบไปสุดอีกขอบหนึ่งของฝั่งโลกซึ่งเป็นคำพูดที่ทำลายผู้อื่นปัจจุบันทุกคนมีโอกาสหมดเลยเพราะสังคมเฟซพิมพ์อะไรไปจะน้องพี่น้องจะอยู่อเมริกาจะอยู่เอธิโอเปียจะอยู่ซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ไหนของโลกข่าวนั้นไปถึงแน่เพราะนั้นบุคคลที่สองคือฮูมาซ่กับลูมาซ่ในกุรานที่ว่า คำพูดของเขานั้นทําร้ายเกียรติยศของคนอื่นทําลายผู้อื่นเพราะฉะนั้นคําพูดฮะดีษที่ทํายากมากบท ห, หนึ่งคือฮะดิษของท่านนบีอัซาริย ม, มีหลายบทที่แบบว่าทํายากบท ห, หนึ่งที่ทํายากมากๆเลยก็คือคําพูดท่านนบีที่บอกว่าถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียฟังดูมันง่ายนะครับแต่ถึงเวลามันยาก เพราะบางทีเราก็อยากพูดแล้วก็อยากเมายิ่งขอมีคนเริ่มมาสักคนมันก็อยากจะต่อบางทีมันไม่ต่อมันอยากจะขําด้วยอยากจะหาด้วยอยากจะรับรู้บางทีเขาคุยกันสามคนเออกาเอากเอากาค่คุยอะไรกันอยากรู้มั่งอ่าขอแจมด้วยคนอดใจไม่ได้ขอแจมด้วยคนแล้วก็โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอประมาณเนี้ยหูหมด <laughs> มาหูอย่างเดียวว่ารัรียมอย่างไว้คืนครับ รู้หมดทุกอย่างเว้นอย่างเดียวคือไม่รู้ว่าละเตรียมอะไรไว้ให้อ่ะคนที่2 อ, อันนี้คือบุคคลที่สองที่เขาโดนสิ่งที่เขาต้องโดนก็คือถ้าเราสังเกตดูนะครับอัลลอฮนเตรียมอะไรไว้ให้คนที่สองอันนี้คือบุคคลที่สองที่เขาโดนอย่งที่เขาตองโดนก็คือถ้าเราสังเกตดูนมครับอัมืนนอนไม่มียมระไมันไปหะ ใช่ไหมครับก็มีหัวเหมือนไม่มีหัวไม่มีประโยชน์ก็พังมันไปซะส่วนคนที่แบบว่ามีปากถ้าเราสังเกตดูกระลุปที่ว่านะที่มันมี3ามแง่งเนะี่ยมันเข้าไปไหนครับเข้าไปตาเข้าไปตรงคามับตรงส่วนหูแล้วก็เข้าไปปาก3อย่างเนี่ยที่เราใช้ในการทําลายเกียรตยศทําลายชื่อเสียงคนอื่นตาไว้ดูหูไว้ฟังปากไว้พูดเพราะฉะนั้น3มอย่างนี้ใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องมีมันซะก็เลยโดนกระชากทําลายต่อไปครับบุ คนกลุ่มที่สามที่ว่าอยู่ในองยักษ์ไม่ต้องององโลตีแล้วนะแมวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกคือโลตีองไม่ลงกันที่ในองขนาดยักษ์เดาสิครับว่าคือใครน่าจะเดาไม่ยากเนาะครับคนที่ทำซีน่าคนที่ผิดประเวณีโลกนี้คือถ้าเราสังเกตดูอะครับพฤติกรรมใดก็ตามที่มันมีรูปแบบที่ไล้านของมันอยู่ พฤติกรรมใดก็ตามนะครับที่มีรูปแบบที่ฮัลาันของมันอยู่มันจะไม่อร่อยเท่ารูปแบบที่ฮารอมมันจะไม่สนุกเท่ารูปแบบที่ฮารอมเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมีสามีภรรยาปกติใช่ไหมครับแต่งงานกันมานานเขาก็จะบอกว่าเบื่อน้ําน้ําจิ้มถ้วยเก่าแล้วอยากไปได้น้ำจิ้มถ้วยใหม่ยิ่งถ้าไปทําซีน่ามันจะรู้สึกมันจะตื่นเต้นเพราะมันรู้สึกร้อนมันต้องหลบซ่อนมันต้องอะไรรู้สึกร้อนลนนักใช่ไหมกระโดนเผาไปเลยครับก็คือ ลักเลนพอลักเล่นก็คือมือหือไขหงูแม่กัครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีใครรับรู้ก็คือเข้าไปอยู่ในโอ่งเลย <c oughs> อเลเจซ่าเมันจินซิลแมันการตอบแทนของล้อจะตอบแทนในรูปแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทําเพราะอันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ทําซินาที่ว่าเลือกที่จะเอารูปแบบที่มันอร่อยคือฉันไม่อยากเอารูปแบบธรรมดาสังเกตดูอย่างผู้ชายบางคนไม่ยอมแต่งงานเพราะรู้สึกว่าฉันจะไปสังกตายกับผู้หญิงคนเดียวทําไมเ น, นเมื่อถ้าไม่แต่งงานฉัน หากินที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะสิ่งที่ผู้ชายไม่ชอบมากที่สุดผู้ชายนะครับถ้าที่ผมสอบถามนะครับผู้ชายทั่วๆไปนะครับสิ่งที่ผู้ชายไม่ชอบมากที่สุดคือการรับผิดชอบการรับผิดชอบส่วนใหญ่ที่ไม่อยากแต่งก็คือไม่อยากรับผิดชอบนับ่แหละถามว่าอยากมีอยากามีแฟนเยอะๆไม่อยากมยอยากคุยกับผู้หญิงอยากเล่นอยากกระดิสารพัดแต่ถ้าอยากรับผิดชอบไหมไม่ถ้าตอนที่ ตกมันน่ยอาจจะคิดว่าตัวเองอยากรับผิดชอบแต่พอหายตกมันปุ๊บฉันทิ้งได้ไหมฉันเปลี่ยนได้ไหมฉันไปหาคนอื่นได้ไหมแล้วก็ตามแต่นั้นก็คืออะไรก็ตามที่มีรูปแบบที่ฮาลานรูปแบบที่ฮารอมมักจะน่าดึงดูดใจกว่าเสมอเหมือนกับการทําธุรกิจใช่ไหมครับรูปแบบที่ฮาลานก็มีแต่การทําธุรกิจรูปแบบฮาลันมันไม่ตืน่นเต้นเหมือนรูปแบบที่ฮารอมมันไม่เหมือนการพานันมันไม่เหมือนกับการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยมันไม่เหมือนกับการไปโกงเขาการไปหลอกเขา ของพวกนั้นมันจะรู้สึกบูว่ารู้สึกมีความสุขได้เงินมาก้อนใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุสลิมต้องระวังเราจะโดนทดสอบโดยการให้เลือกว่าจะทำรูปแบบที่ฮา้าฮหรือฮารอมโดยใจเราจะอยากทำรูปแบบที่ฮารอมหน้าที่ของเราก็ต้องควบคุมความ <c oughs> ร้บใจมันต่างกันครับผมโดยพ่อพ่อค้าพ่อขายจะครับบาปทุกอย่าง บาปทุกอย่างถ้ามีการเตาบ้าพ่อเรายกโทษให้หมดเลยเหมือนกับว่าเคสที่ไม่น่าจะได้รับการยกโทษมีเคสไหนบ้างครับที่ผมที่ฝังใจผมเลยนะครับเคสของท่านหินหินหินคือใครครับหินคือภรรยาของอัออบูซุฟยานเป็นคนที่ว่าแขนลุงของท่านอาบีใช่ไหมครับแขนท่านคมซาแล้วก็ว่าจ้างทาาให้ไปฆ่าอย่างทรมานแล้วก็ผ่าท้อง แล้วก็ควักเครื่องหนออกมาคือด้วยความแข็งแกรขนาดนั้นถึงเวลาหลังจากที่พิชิตมา ก, กาได้นางคอลารับอิสลามนางคอลารับอิสลามสามีก็แซวว่าเมื่อวานยังเพึ่งได้สลามอยู่เลยนางก็บอกว่าตอนนี้ฉันอร่อยฉันรู้แล้วว่าศาสนาที่เป็นศาสนาที่ถูกต้องแต่นางก็ไม่ไม่มีหน้าไปหาอับีเพราะว่าทําโหดกับนบีไว้เยอะ นัานก็พาคนไปเป็นเพื่อนคนที่นบีแล้วก็พาไปเป็นเพื่อนพาไปช่วยนำไปหน่อยพอเขาอิสามปุ๊บท่านนบีก็ต้อนรับดีต้อนรับดีโดยในสภาพว่าให้อภัยแล้วเพราะท่านนบีถือว่าเมื่ออัลลอฮ์ยกโทษให้ทําไมนบีจะไม่ยกโทษให้อันนี้คือความยิ่งใหญ่ของท่านนบีลลอัลสลามีอัลสลามความเป็นคนที่แบบว่าใจใหญ่ใจใ จ, ใจกว้างมากคือสามารถให้อภัยคนที่ทําให้ตัวเองต้องพบกับความสูญเสียใหญ่หลวงในชีวิตได้ ครับเป็นสิ่งที่ว่าเป็นแบบอย่างที่มุสลิมเราควรจะเอาเป็นแบบอย่างหมายคือว่าบาป ท, ทุกอย่างครับต่อให้ทําชิริกแท้กับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงขออภัยโทต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงกล่าวกะรีมาใหม่เป็นมุสลิมใหม่อลัลลอฮ์ยกโทษในบาป ท, ทั้งหมดครับอันนี้ที่ผมที่ผมย้ําเป็นประจำครับมันอันตรายมากเลย ครับเพราะว่าคนที่เข่าอู้เจีอ่ะเขาจะลืมตายอืมครับครับคิดว่ามีเวลาครับคือเวลาปลาแล้วมันได้แต่น้ำตาตกในนะครับคือแบบว่าตอนมีร่างกายตอนมีทรัพย์สินตอนมีสุขภาพที่ดีก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวรอแก่ค่อยเตาบ้า แล้วก็ปวีงเหมือนกับเหมือนกับนอนมาแค่ทําการบ้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพสไลายก็ไม่ได้ทําการบ้านต้องไปปั่นการบ้านที่โรงเรียนบางทีก็โดนครูฟาดครูอะไรก่อน เ, ออเรื่องการกับเนื้อกับเนื้อกับตัวยารอเวลาอันนี้ที่ว่าขอฝากไว้เลยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าฉันกลัวว่าฉันยังทิ้งมันไม่ได้ฉันขอทิ้งมันได้ก่อนแล้วค่อยตาบ้านดีไหมคําตอบก็คือขอไปโทษก่อนเลย ขอให้ด้วยก่อนคือทําให้ดีที่สุดถ้าเรากลับไปทําอีกเราบาปใช่แต่ถ้าเราเตบาบ้าก็จบตรงนั้นอัเลาก็ยกให้เหมือนกับที่พูดเหรพูดให้ท่านอบีบอสสลามมาเล่าให้กับเราฟังบอกว่าแตาบใดก็ตามที่เรายังรู้ว่ามีผู้อวยพรให้อภัยเราอยู่อัลลอฮ์ก็พร้อมจะให้อภัยเราเสมอต่อให้เราทํำบาปนั้นเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเพราฉะนั้นเราอย่าไปรอครับอย่าไปคิดว่าฉันต้องรอแก้ไขได้ก่อนบางทีมันไม่ทัน ขอเตาบาเป็นขออภัยโทษเป็นประจำแต่ถ้าเตาบาสนี่คือทิ้งเลยขอเตาบาถ้าเกิดเตาบาสได้เตาบาทิ้งทิ้งไปต่อให้มันสิบครั้งก็ขอให้เตาบาสเถอเพราะว่าล้อคือผู้ที่เมตตาผู้ให้อภัยครับเดี๋ยวเรากลับไปเรื่องที่ท่านบีวัสดลอยสลัมเจ อ, อยังไม่ครบยังไม่ครบนะครับผมแล้วจบกลุ่มที่สามแล้วเนาะอ ย, อยู่ใน อ, อ, อ<ง>่าโอ่งครับอยู่ในโองคโอ่งวิเศษแล้วครับโอง่งวิเศษ ต่อไปกลุ่มที่สี่คือคนที่อยู่ในทานน้ำเลือดให้เดา ว, ว่าเขาทำอะไรมารมาซาลล์ครับกินดอกเบีย้ยครับคือคนที่กินดอกเบียบเ้ยทิสนาบีมัสลลอฮฮะเลสลัมได้เตือนเอาไว้ว่ายุคสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีใครรอดจากดอกเบีย้ยอย่างน้อยก็ต้องโดนละองของมันซึ่งนักชาการก็มีควา ม, มความเห็นแตกต่างกันให้ความหมายแตกต่างกันว่าละองในที่นี้หมายถึงอะไรเหมือนคือหมายถึงเขาต้องยุ่ง หรือว่าเขาไม่ยุ่งแต่ว่าผลของดอกเบีย้ยมันมากระทบเขาว่าเราอาลัมแต่ที่แน่ๆก็คือมุสลิมเราในยุคปัจจุบันต้องขออภัยโทษทุกวันในเรื่องเงินในธนาคารที่เรามีต้องขอไปโทษทุกวันซึ่งปัจจุบันท้งออกมีกี่ทางมันมีไม่กี่ทางแต่ว่าน่าจะเลือกไม่ค็ได้ แขอไปที่วัดตอนเหรอแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับมันให้น้อยที่สุดแต่ที่เป็นไปใดเพราะยุคนี้ครับ<ป>คือผมเข้าใจว่าในยุคนี้เครับแน่จะเกือบกุ้คนต้องมีนี่เกือบทุกคนต้องมีนี่หมายความว่าพวกเราเกือบทุกคน กำลังเท้าขวาอยู่ในอยู่ในเหวอยู่เท้าขวาอยู่ในเหวอ่ะแล้วกลับมาที่ประเด็นของคนกินดอกเบี้ยเ อ, อเราค่อยแตะอย่างละเอียดในช่วงฟิกในช่วงฟิกแต่ถ้าเกิดถ้าใดรมีคําถามเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่มาสบายใจไหม ค, ครับผมก็มาสบายใจครับ <c oughs> เราต้องขอไปโทษเป็นประจำนีแ่แหละครับอ่ะทำดูดินละอัลลามีแตาต้องขอบคุณอัลลอฮ์ครับเพราะ มีเมื่อกี้คนทีลอดใดครับครับหมายถึงว่าตังใส่หาฝังไว้ในบ้านนะครับทุกกคนที่กมีไว้ที่นอัลฮัมเบลลาครับผมฮาเอาตัวฮาวลอดพวกเราบอกว่าไยดามนุกูอังพุทสกุมวะลิกุมแนรอเอาตัวเจ้ากับพอบครัวเจ้าให้ลอดจากไปนรกหนาที่เราหลักๆมีอย่างงั้น เราไม่ใช้แต่เราส่งเสริมระบบดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วคุณนัฐผิดแน่นอนผมก็ผิดแน่นอนรครับเอ่อตังออกก็คือว่าเอาตังไปฝากทูเซฟครับก็คือไม่ต้องให้เงินไปอยู่ในระบบธนาคารเพู่อในเซฟของมาได้ไปใจอย่างนะครับ เฮามาเอาแต่เขามีเขาเอาไปหมุนในระบบดอกเบีย้ยคือเฮาส่งเสริมระ บ, บดอกเบีย้ยให้เกิดขึ้นเพราะว่าที่ทินาบีบอกไว้ก็คื อ, อทินาบีสาบแช่งไว้ก็คือคนอคนให้ดอกเบีย้ยคนให้คนรับคนเซ็นสัญญาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างที่ทําให้ระบบดอกเบีย้ยเกิดขึ้นได้ก็คือเฮาเดินมดเลยแต่กิดอย่างทินาบีว่าซาลามู ก, ก็คือว่ายุคหลังมันจะไม่มีใครรอดเพราะนั้นสิ่งที่นักวิชาการ เตือนไว้ก็คือว่าขอไปโทษตลอเป็นประจำแล้วก็ยุ่งในส่วนที่เต้าที่เป็นไปได้ทีนี้ดอกเบีย้ยที่มีเอาไปทอาอะอย่างนักวิชาการมีความเห็นต่างกันบางคนก็บอกว่าปล่อยมันไว้ที่เดิมบางคนก็บอกถ้าปล่อยไว้เขาก่อไปใจแตนบางคนก็เลยบอกว่าเอามันออกมาแล้วเอาไปใจทําสาธารณประโยชน์ตีเหมาใจศาสนสถาน คือสร้างมัสยิดไม่ได้สร้างโรงเรียนศาสนาไม่ได้ทํามาอย่างที่ว่าจะขอบรารัก้าหมาได้อาจจะเป็นสร้างถนนทําห้องน้ําหรือว่าทําเป็นทำมัสยิสดก็ได้ครับถ้าเก็ไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับว่าอ๋อทำนมัสยิดเหมือนได้ครับแต่หมายความว่าเงินจํานวนนั้นที่จ่ายไปขอให้รู้เลยว่าไม่ได้บุญแน่นอนไม่ได้บุญแน่นอนแต่เราทําในสิ่งที่เราหวังว่าอาลัลลอฮฺจะ ลดความกดกิ้วของพระองค์แล้วจะให้อภัยเราอันนี้คือสิ่งที่พระเจาการประทื้นคำตอบทางออกไว้ก็คือว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะอาไปให้ ค, คนตุกหรือว่าอย่า ก, ก็ตามแต่ที่ว่ามันเป็นการช่วยที่เรามั่นใจว่าเราทําใจไว้เลยว่าเรามาได้ลําเลิกนะแล้วเรามาค่าเราจะได้บุญหลอกเขาขอแค่ว่ายังน้อยกว่บาบาปแค่นั้นกับปอครับผมผมเข้าใจครับเอาแต่เอาโนเบลตอบมาในที่อันไหน เราเรยกมันแบบผลคนด้าน่ายไหกันครับยันเือนาวคมาเอาคือฝากแล้วมาเอาคือคาว่ามาเอาคือดับเบี้ยมันมีอยู่แล้วหรนะือหมายถึงว่ า, อาไอ้คำว่าเอามาเอาอะครับคือหมายความว่าเอาตังไปฮึ่เขาแล้วบอกขื้นเขาเอาตังเาไปใจได้แต่เขามาเอาผลตอบแทน ส่วนเอาดอกเบีย้ยคือเขาเอาตังไปใช้ได้แต่เขาเต้ามาฮึง่งเขาตุยแบ่งเขาตุยพราะฉะนั้นหมายถึงว่าดอกเบีย้ยมันเกิดขึ้นในระบบแน่นอนแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอันไหนดีกว่ากันผมผมมาก้าให้คําตอบผมมาก้าให้คําตอบผมว่าขอใหออ้อาจารย์เลือกทางที่อาจารย์คิดว่าเอา ล, ล้อแน่าจะัที่สุดเอา ล, ล้อนักใจที่สุดแล้วก็เลือกตรง น, นั้นไปครับผมลลเดี๋ยวฮับอาจารย์แล้วมาต่อกันเชิญล้อครับ เานทรนคอวา้แตียมั่รกำที่บ้านเรายาวแปดสิบแปดิบเอ็ดอ่ครับครับเป็นกรกำที่บ้านเรามีโซ่เก้าแปดสิบเมตรคอมฟอร์มสเมตรมร้อเมตร้นรรับ้า่ออยู่เลยเยยมา่เือเูกันครับเูกันครับที่บ้าน ครับาองแปลงนที่หน้าบ้านที่ังทารานอ่าครับเพื่อคือวว่าแปลงที่อื่นต้องมเก้องกับเกี่ยวข้องกับนเกี่ยวข้องกับที่อ่กับอนก็เย้องัืยองกัอ่เ้องกับก็เวอกั่นเกีย้องบที่ก็้ที่นก็เกยงับอก็เ้งืนเียอทนเ่อกอเกี่ว่าผม ประกาศชัดเจนนะครับเอาไปทางไหนก็เอาไปมัต้องมาผ่านผมผมก้าวต่เการมาลอดไหมือกันผมนึกว่าจะไม่มีใครถามแล้วแป๊บนึงนะครับธนาคารอิสลามถามว่ามุสลิมเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับใช่บใช่แล้วก็เ um, ผื่อมีผู ick, ้ร yeah. okay. ู้ที ick, ่ชมอยู ick, ่นะครับผมผมยังไม่เคยเจอใคร คือผมคุยกับคนทํางนานธนาคารอิสลามบ้างผมยังไม่เคยเจอใครที่ตอบคําถามผมได้ว่าทําไมมันถึงไม่เรียกว่าดอกเบี้ย mm hmm. คือเขาจะเรีเป็นเงินปันผลจะเรียกเป็นเงินผ่อนจะเรียกเป็นอะไรก็ตามแต่ซึ่งพอผมถามปุ๊บมันคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเล่าเก่าในขวดใหม่ mm hmm. เหล้าเก่าเล่าเก่าในขวดใหม่ก็คือว่ารูปแบบเดิมแต่ว่า มาเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนอะไรให้มันดูพยายามเอาชื่อศาสนาเข้ามาเพื่อมันดูดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่าทุกโปรดักของธนาคารอิสลามฮารอมนะครับผมแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ธนาคารที่ปัจจักดอกเบีย้ยไม่ใช่ธนาคารที่ปัจจักดอกเบียาาเบ้ยครับในโลกนี้ผมยังมีปะธนาคารที่ ม, มีดอกเบีย้ยนอกจากมีคือคือผมไม่ได้ไปรู้จากกู้ธนาคารนะครับผม เพียงแต่ว่าเช็คที่สอนผมมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นธนาคารรูไฮรี่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเอามาใช่ธนาคารมสสัสซาเป็นองค์กรองค์กรรูไฮรีนี่คือเขาหฝากตังค์แบบที่ว่าเราต้องจ่ายตังค์ค่าฝากตัวและจ่ายว่าอันนั้นมันมีดอกเบีย้ยผมว่าเราว่าลำที่อื่นในโลกอาจจะมีอาจจะมีแต่บางเดียวจากไทยกอินโดกามาเลกาข้อมูลที่ผมมีผมยังมาเจอมันอาจจะมีแต่ผมบอกคือครับเราว่าลัครบ เอาไปเก็บตแต่ตแต้เข้ามาได้หมุนครับมันได้เอาไปใจครับหรือถ้าเกิดเขาไปใจมันจะมีสัญญาที่บอกว่าเขาเอาไปใช้แต่เราสามารถมาเบิกได้ตลอดเวลาแล้วเขาไปใช้อย่างเขาจะมีบอลห้าหนึง่งสามสี่ห้าเจ็ดแปสิบประาณ น, นะครับผม<ง>อาจจะครับคือเอาไปใช้ในเรื่องที่ว่ามันเป็นประโยชน์แต่ แ, ตแล้วก็มันไม่ได้มีผลประโยชน์เนี่ยปีกมาครับมันมีแบ่งกับเอ อ, อถ้าเกิดเป็นลงทุนจัดเลยกับมีครับ แต่ถ้าเป็นลงทุนก็คือว่าจะมาสามารถถอนได้ในช่วงที่กําลังลงทุนเพราะเหมือนกับเขาลงทุนกับไข่สักคนจะมาเบิกแตคนคืนมาเป็นไปมาได้มันพิสธรรมชาติกันค้าขายก็คือถ้าลงทุนก็คือปูตื่นขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันได้กําไรก็ได้กำไรด้วยกันแต่ว่าอย่งางบเดียวในสกานอิสลามเนี่ยไม่มีคําว่าปูตื่นกําไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันต่างอะไรกับฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยแบบเดิมมันมันก็เล่าเก่าในขวดใหม่ว่าเราแอบรำครับอันนี้เป็นความเิื่อถือของผมเฉยๆนะครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่ผมที่คิดแบบนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากสนาคารอิสลามเขามาติดต่อหาบอร์ดหาคนผู้รู้ไปอยู่ในบอร์ดชริยะเอที่เชียงใหม่ไม่มีอาจารย์ท่านใดรับครับแนะต่ก่อนอาจจะมีครับทำไมถึงครับแต่ก่อนเคย ม, ออคยมีแต่คือแบบเดียวคือเอาขาถามอาจารย์ท่านอื่นมาเอาแล้วก็มาถามผมผมก็บอกผมก็มาเอา มันอันตรายเกินไปมีประเด็นดานที่มีขี้ตึงเกลอนึงที่ทเกิดอา้าวโอเคครับยังยังไม่จบนะขอมาฟังทีคืออายะกุลาน่าจะไม่จบสักเราจะได้อายะเดียวนะครับวันนี้ทีนี้หลังจากนั้นก็ต่อมาคือฮาริสวันนี้ผมไม่ได้เล่าแบบละเอียดนะครับเพราะฮาริสยาวมีสองสามเหตุการณ์ที่ว่าผมไม่ได้เล่าถึงเอาประเด็นเฉพาะที่ผมเล่าก็คือหลังจากนั้นที่ ท่านอบดเห็นคนที่ว่าหน้าตาหน้าเศรึงกลัวที่ว่ามีไฟรอบตัวแล้วก็ทําการจุดไฟให้มันแรงขึ้นอันนั้นคือมาลิกมาลิกมาลิกคือใครครับมาริการที่ดูแลนรกมาริการที่ดูแลนรกชื่อว่ามาลิกหลังจากนั้นครับสวนแล้วก็เจอคนที่ว่ารูปรูปร่างสูงใหญ่ใหญ่ตัวมีเด็กล้อมรอบคนนั้นคือ น บ, บีอิบราฮิมน บ, บีอิบราฮิมแล้วเด็กที่อยู่ล้อมรอบน บ, บีอิบรอฮีมก็คือเด็กที่เสียชีวิตก่อนที่จะอาเกนบัลิกก่อนที่จะบรรลุศาสนภาวะก็คือเด็กที่เสียชีวิตไปในสภาพธรรมชาติที่งดงามเนี่ยพ่อแม่อาจจะเสียใจในดุนยาแต่เอาล้อให้หลักประกันแก่เขาว่าเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้ในใครก็ตามที่สูญเสียลูกยังเด็กก็ ในความเสียใจเนี่ยก็ขอให้เราอัลฮัมดุลิละพูดออกมาได้เลยเพราะว่าในความเสียใจในความสูญเสียพ่อเร้อยได้เตรียมสถานที่ที่วิเศษที่สุดให้กับเขาแล้วการรวมัลลอง ม, ลมาช า, าครับซาฮับข่าวนบีเหมือนกันนบีก็บอกรวมตัวรวมตัวครับนักชัการมีคิลับพ้องในเรื่องนี้แต่กับกาารุ่นร้อยลำครับาารุ่นร้อยลบางคนก็บอกว่ า, าลูกหลานของมุชลิกจะเป็นวิลแดนโมคัลระดูนเป็นเด็กรับใช้ในสวรรค์ วันลอยล้แต่ที่แน okay, ่ค um> ือไม่ได้ลงในรกไอตัวพ่อแม่นี่แหละที่ว่าเสียงเราเองไปดูหน่อยอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นครับก็น่าจะครบแล้วเนาะาจย์ขาไปอย่างเจาเราจะต้องร่วมสามช่วงใช่ไหมคุณบ๊แล้วก็รันปรลกหน้าร่วงนี้แหละโอเคเยี่ยมมอัลลอฮบาริกัลฮิมุกุมกันเลินครับผมเหมือนจะมีใครทาเนี่ยครับขอี่น เอาหมดมาเมียแล้ครับที่ว่าเป็นสวรรค์ของนบีหรือว่าอะไครครับอันนั้นนี้ป้าปูไม่ได้ถามว่าเป็นหูชัดเจนอยู่แล้วนะครับพอมาใกลถึงบอก<ม>อ๋อครับคือตึงมดถ้าจะอธิบายมาตันพร้อมกับอายะกราณที่เหลือกว่าแค่จะอธิบายมาตันแต่ถ้าเกิดจะสรุปคร่าวๆก็คือว่าสําหรับคนที่ว่านินทาไซไลคนอื่นในดุนยาสิ่งที่อัลลอฮฺจะเตรียมื่อกับคนที่ซาลลมคนอื่น ก็คือถ้าในกุรรานเออโอ้โหใช้คำไม่ได้เลยมคอผมคอข อ, ค, อ, ร ค, อครับรมันหายไปแล้วครับผมหายไปจากหัพ อ, อดีเลยอาทินะว่ากันงชั น, น, บบอนโอเคครับในเรื่องสิทธิทอาลฮุครบนะครับคนทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องของเกียติยศในเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินคือระบบคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ระบบของอิสลามคือคนทุกคนหามาเขาก็มีสิทธิ์ครอบครองของเขาไม่มีใครที่มีสิทธิ์ไปยึดครองของใครมาโดยที่ไม่เจ้าของไม่ชอบไม่อนุญาตอนุญาตอนุโลมอันที่ 3, สามก็คือสิทธิ์ในเรื่องการมีเชื้อสายที่ถูกต้องก็คือเด็กทุกคนมีสิทธิ์นิอิสลามให้การคุ้มครองแม้แต่คนที่ยังไม่รู้เรื่องเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาจากพ่อแม่ที่อยู่กินอย่างถูกต้อง เพราะว่าคนที่ทําซีนาเนี่ยครับเขาไม่ได้ล่วงเกินเขาไม่ได้ทําร้ายแค่ครอบครัวของเขาเขาทำร้ายเด็กด้วยใช่ไหมครับเพราะเด็กที่เกิดมาก็เป็นเด็กลูกซีนาถามว่าเด็กลูกซีนากับลูกคนที่เกิดมาพ่อแม่แต่งงานกันปกติเนี่ยความมีหน้ามีตาความมีเกียรติเยศเท่ากันไหมไม่เท่าก็คือเกียรติยศตนรื่อของเชื้อสายเช่นเดียวกันก็คือว่าไม่อนุญาตให้เรียกคนที่ไม่ใช่พ่อว่าเป็นพ่อคืออิสลามยกเลิกระบบลูกุนธรรมเอาเด็กมาเลี้ยงได้แต่ต้องเลี้ยงเขาในฉายา พ่อที่แท้จริงของเขาเรียกลุงได้ไม่เป็นไรก็คือเรียกยังไงก็ได้ก็คือเรียกพ่อไม่ได้เรียกพ่อไม่ได้เช่นเดียวกันครับก็คือมาสามารถเรียกพ่อเรียกแม่ได้ต้องห้องเป็นลุงห้องเป็นป้าห้องเป็นอะไรห้องเป็นเะไรก็าตามแต่แต่งกรรมในกรณีไหนครับเราเรียกเตียง ว, ว่าพ่อก็ัมาได้เรียกว่าแม่แมอนน๋อหมายถึงว่า ถ้าเป็นการใช้คําการใจสัพนามที่ว่ามันเป็นธรรมเ네นียมปฏิบัติที่หู ว, ว่ามาได้สื่อจากอันมาเป็นอย่างอย่างเช่นคู่สามีภรรยาปกติคู่สามีภรรยาก็จะเรียกเ่งว่าพ่อว่าแม่ถูกไหมครับอ๋อพ่ออันนี้มาให้ำลัเราแม่อันนี้เมื่ อ, อกำกังเราคือไม่ใช่พ่อแม่เราแต่ว่าตามธรรมเ네นียมปฏิบัติเป็นที่รู้ว่าคําพูดนี้หมายถึงผู้ปครองของข อ, อ, องแต่ลูกหรือว่าได้กันนะแต่ ไม่ถึงจะได้ครับเรื่องเชื้อสายสมว่าลอี่ว่าเป็นหลานเาได้ได้เปนถ้าอยู่ในสถานะที่ว่าพอจะเป็นหลานเขาได้แล้วเขาไม่ได้ต้องการจะซื้อว่าเป็นหลานที่ว่าเป็นลูกของแต้ะมาเป็นอย่างถ้าเกิดว่าเป็นที่ฮู้กันในสังคมประมาณนะครับเหมือนเขาป้านอนนะฮะหลานมานหน่อยเดี๋ยวลุงแจกขนมมาเป็นอย่างครับสองนคะรับโอเคครับงั้นก่อนที่ใจก็ามาัดนะครับงั้นเราเหลื อ, อ ก, กันก็คือสิทธิ์ในร่างกาย สิทธิ์ในร่างกายคนทุกคนก็คือว่ามีร่างกายที่น่าจะการคุ้มครองไม่มีใครที่มีสิทธิ์ไปต่อยให้เลือกตกยังออกไปเอาฟันเคี้ยวล่มไปทํากระดูกหักไม่เกี่ยวว่าจะเป็นคนจนคนรวยเอาไว้ว่าทุกส่วนมีมูลค่าเท่ากันก็คือว่ามูลค่าไหนเอาไว้ว่าไหนก็ตามที่ในร่างกายมีแค่ชิ้นเดียวหากไปทําลายสิ่งนั้นต้องทดเชยด้วยกับอูดหนึ่งตัว เอาไว้ว่าไหนที่มี2อันถ้าทําลายหนึ่งอันก็50ตัวก็ลดหล่อนไปเรื่อยๆลดหล่อนไปเรื่อยๆต่อไปสิทธิสุดท้ายก็คือสิทธิ์ในการนับถือศาสนาคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาที่เขาต้องการและเขาต้องรับผิดชอบมันเองลกแม่ครับไม่มีใครมีสิทธิ์ไปบังคับให้ว่าต้องเป็นพุทธต้องเป็นคริสต์ต้องเป็นมุสลิมไม่มีสิทธิ์ทุกคนต้องเลือกของเขาเองแล้วเขาต้องรับผิดชอบเขาเองนั้นครบนะครับผมห้าข้ออาจารย์พิมพ์แล้วกันในเรื่องของระบบแพทย์มีรายละเอียดที่ต้องอู้ถึง มีรละเอยียดต้องอู้ถึงยาวหน่อยครับเวลานะ้าจะบมาตารางั้นตอนนี้ขออ่านนะครับ ป, ประชุมแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันในชวงส่วนของปริศาสตร์กับดุอานะครับผมสุบาณก็ลอมาไปพินธุ์ทกาชุมนันต์ได้สักการ์ดุลัยสุลามุลกุมอัลตุลอัลบาบาร์กาตุครับสาธุ